มาตลีเทพสารถีขับรถไปข้างหน้าเราสัตว์ถูกนายนิรยาบาลที่น่ากลัวจับเอาเท้าขึ้นบนเอาศีรษะลงล่างโยนไปตกในหม้อโลหะอันร้อนแรงพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสคาถาว่าหม้อโลหะใหญ่ไฟติดทั่วลุกโพรงโชดช่วงย่อมปรากฏความกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้ แนมาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ทําบาปอะไรไว้จึงตกในโลหะกุมพีมาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดํารัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทําบาปทั้งหลายแต่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เราใดเป็นผู้มีบาปรรมเบียดเบียนดากระทบสมณนะหรือพราหมณ์ผู้มีศีล สัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้ากระทําบาปแล้วจึงหัวทิ่มตกในโลหะกุมพีบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าไฟติดทั่วปทิตตาได้แก่อันไฟติดทั่วแล้วคําว่าใหญ่มหตีความว่าประมาณเท่าภูเขาตั้งอยู่เป็นกับเต็มไปด้วยแร่โลหะคําว่าหัวทิ่มอวังศิราความว่า เราสัตว์ถูกนายนิรยาบาลจับเอาเท้าขึ้นบนเอาสีสะลงล่างโยนไปตกลงในโลหะกลุมพีนั้นๆคำว่าผู้มีศีลศีละวังได้แก่ผู้ทรงศีลคือถึงพร้อมด้วยคุณคืออาจาระมาตาลีเทพสารถีขับรถไปข้างหน้านายนิรยาบาลเอาเชือกเหล็กลุกโพงผูกคอสัตว์นรกให้ก้มหน้า ดึงขึ้นมาตัดคอให้ชุ่มในน้ำร้อนแล้วโบยตีพระเจ้าเนมิราชท่อพระเนรเห็นดังนั้นจึงตรัสคาถาว่านายนิรยาบาลผู้คอสัตว์นรกด้วยเชือกเหล็กลุกโพลงและตัดศีรษะโยนลงในน้ำร้อนความกลัวเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แน่มาตลีเทพสารถีเราขอถามท่าน สัตว์เหล่านี้ได้ทําบาปอะไรไว้จึงมีศีสระขาดนอนอยู่มาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดํำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทาบาปทั้งหลายแต่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าข้าแต่พระองค์เป็นจอมประชาชนสัตว์เหล่าใดเมื่ อ, อยังอยู่ในมนุษยสยโลกมีบาปธรรมจับนกมาฆ่าสัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้ากระทําบาป จึงมีสีสะขาดนอนอยู่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าตัดลุนจันติได้แก่เพิ่ขึ้นคำว่าผูกอะะเวทะยิตวาความว่าเอาเชือกโลหะอันลุกโผลผูกคอให้ก้มหน้าคำว่าในน้ำร้อนอุโนหะทะกัตสมิงได้แก่ในน้ำโลหะที่ตั้งมาเป็นกับ คำว่าโยนลงปกิเลทะยิตวาได้แก่ให้เปียกคือโยนลงไปมีคำอธิบายว่าแนสหายมาตลีนายนิรยาบาลเหล่านี้เอาเชือกเหล็กลุกโพลงผูกคอของสัตว์เหล่าใดแล้วโน้มสรีระซึ่งมีประมาณสามคาวุฒลงคว้นคอต้อนไปด้วยท่อนเหล็กลูกโพลง ใส่เข้าในาน้ำโลหะที่ลุกโลงแห่งหนึ่งแล้วยินดีร่าเริงและเมื่อคอนั้นขาดแล้วมีคออื่นพร้อมกับสีษะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นอีกทีเดียวสัตว์เหล่านั้นได้กระทากรรมอะไรไว้ความกลัวเกิดแก่ข้าพเจ้าเพราะเห็นสัตว์เหล่านั้นพ่อว่าจับนกมาฆ่าปักขีคเหตวาณนะวิเหถยันติความว่า าแต่มหาราชสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในชีวิตโลกจับนกมาตัดปีกผูกคอฆ่ากินบ้างขายบ้างสัตว์เหล่านี้นั้นมีศีรษะขาดนอนอยู่ในที่นี้มาตาลีเทพสารถีขับรถต่อไปได้ยินว่าในประเทศนั้นมีแม่น้ำมีน้ำเจิงน่ารื่นรมไหลอยู่โดยปกติสัตว์นรกไม่อาจทนความกระหายเพราะเร่าร้อนด้วยเพลิง จึงเดินย่ำแผ่นดินโลหะลุกโผลงลงสู่แม่น้ำนั้นทันใดนั้นเองฝั่งน้ำทั้งสองก็ลุกโผลงทั่วน้ำควรดื่มก็กลายเป็นแกลบและใบไม้ลุกโผลงสัตว์นรกไม่อาจจะทนความกระหายก็เคี้ยวแกลบและใบไม้อันลุกโผลงกินแทนดื่มน้าแกลบและใบไม้นั้นก็เผาสรีระทั้งสิ้นออกทางสวนเบื้องต่า สัตว์นรกไม่สามารถจะอดกลั้นทุกนั้นก็ประคองแขนทั้งสองร้องไห้พระเจ้าเนมิราชทอาพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสคาถาว่าแม่น้ำนี้มีน้ำมากมีตลิ่งไม่สูงมีท่าอันดีไหลอยู่เสมอสัตว์นรกเหล่านั้นเร่าร้อนเพราะความร้อนแผดเผาจะดื่มน้ำก็แต่เมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นจะดื่มน้ำก็กลายเป็นแกลบไป ความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แน่มาตาลีเทพสารถีข้าพเจ้าขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้เมื่อจะดื่มน้าน้าจึงกลายเป็นแกลบไปมาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทาบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่า สัตว์เหล่าใดมีการงานไม่บริสุทธิ์ขายข้าเปลือกแท้เจือด้วยแกลบแก่ผู้ซื้อเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความร้อนยิ่งเพราะความร้อนแผดเผากระหายน้ำจะดื่มน้ำน้ำจึงกลายเป็นแกลบไปบรรดาคําเหล่านั้นคําว่ามีตลิ่งไม่สูงอะ น, นิขาตะกูลาได้แก่มีฝั่งไม่ลึกคาว่ามีท่าอันดีสุปติฐา ได้แก่ประกอบด้วยท่าน้ำงามงามคำว่าเป็นแกลบทุสังโหติความว่าเข้าเปลือกกลายเป็นแกลบคำว่าน้ำปาณิได้แก่น้ำดื่มได้ยินว่าในประเทศนั้นมีแม่น้ำมีน้ำเจิ่งน่ารื่นรมไหลอยู่เป็นปกติ สัตว์นรกเล่าร้อนเพราะความร้อนแห่งไฟไม่อาจจะทนความกระหายได้จึงเดินย่าแผ่นดินโลหะที่ลุกโผงลงสู่แม่น้ํานั้นทันใดนั้นเองฝั่งน้ําทั้งสองก็ลุกโผลงทั่วน้ําควรดื่มถึงความเป็นแกลบและใบไม้ลุกโผงสัตว์นรกไม่อาจทนความกระหายก็เคี้ยวกินแกลบและใบไม้อันลุกโผงนั้น แกลบและใบไม้นั้นเผาสรีระทั้งสิ้นของสัตว์เหล่านั้นลุกโคลงทั่วออกทางส่วนเบื้องต่ำสัตว์นรกเหล่านั้นไม่สามารถจะอดกลั้นทุกนั้นก็ประคองแขนทั้งสองร้องไห้คำว่าข้าเปลือกแทสุทธทันยังในคาถานั้นได้แก่ธั ญ, ญชาตบริสุทธิ์เจดอย่างมีข้าวเปลือกเป็นต้นคำว่าเจือด้วยแกลบปราเนะ มิสังความว่าเอาใบไม้บ้างแกลบบ้างทรายและดินเป็นต้นบ้างผสมกันคำว่ามีการงานไม่บริสุทธิ์อสุทธะกรรมมาได้แก่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเศร้ามองคำว่าแก่ผู้ซื้อกะยิโนความว่าพูดว่าเราจะให้ข้าวเปลือกที่ดีๆแก่ท่าน รับเงินจากมือของผู้ซื้อแล้วให้เข้าเปลือกที่ไม่ดีเห็นปานนั้นมาตาลีเทพสารธีขับรถต่อไปนายนิรยาบาลทั้งหลายล้อมเหล่าสัตว์นรกในนิรยาบายนั้นเหมือนนายพรานลอ้อมฝูงมลึกในป่าไว้แล้วทิมแทงข้างทั้งสองแห่งสัตว์นรกเหล่านั้นด้วยอาวุธต่างๆมีเครื่องประหารคือลูกศรเป็นต้น ร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นปรากฏเป็นช่องปลุกไปหมดเหมือนใบไม้แก่ฉะนั้นพระเจ้าเนมิราชทอบพระเนรเห็นดังนั้นเมื่อจะตรัสถามาตลีเทพสารถีจึงตรัสคาถาว่านายนิระยะบาลแทงข้างทั้งสองแห่งสัตว์นรกผู้ร้องไห้อยู่ด้วยถูกสอนหอบและโตมอนความกลัวปรากฏแกเราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้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 ถือเอาของที่เจ้าของไม่ให้คือธัญชาตทรัพเงินทองแพะแกะปะศุสัตว์และกระบือมาเลี้ยงชีวิตสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีกรรมหยาบช้าทำบาปจึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนอยู่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทั้งสองอุพยานิได้แก่ข้างทั้งสองคำว่าแทงตุทันติ ได้แก่ย่อมทิมแทงคำว่าผู้ร้องห้าอยู่กันทะตังได้แก่ร้องห้าอยู่นายนิรยาบาลผู้หยากช้าล้อมแทงข้างทั้งสองด้วยอาวุธต่างๆมีลูกสอนเป็นต้นเหมือนในาพรานล้อมโหมดลึกในป่าจรีระปรากฏเป็นช่องปรเหมือนใบไม้เก่าคำว่าถือเอาของที่เจ้าของไม่ให้อทิ น, นะมาทายะ ได้แก่วิญญาณกะทรัพย์และอวิญญาณกะทรัพย์ที่เป็นของผู้อื่นสัตว์นรกเหล่านั้นถือเอาทรัพย์นั้นด้วยการตัดที่ต่อเป็นต้นและด้วยการลวงด้วยประการต่างๆเลี้ยงชีวิต